สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแต่สำหรับนักบวดแล้วจะมีความสุขมากนะถ้าเข้าใจพุทธภาษิตสันตุถีประมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งชีวิตคารวะาก็เหมือนกันถ้าทราบซึ้งในพุทธภาษิตนี้เพียงเล็กน้อยหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยชีวิตจะมีความสุขพ่อมาก็มามือเปล่า ไปเวลาจะตายก็ตายมือเปล่าเ้อไม่ได้อะไรไปถ้าจะให้ดีหน่อยช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ค็มีความสะดวกในการบริหารการจัดการกับรูปกายตามสมควรทางอิสานมีอะไรเขาจะใ ช, ใช้คำพูดว่า ขอให้มีกินมีทานก็ถือว่าใช้ได้แล้วมีกินกับมีทานอันนี้ถือว่าเป็นใหญ่แต่ปัจจุบันนี้มีกินมีใช้นะเขาไม่ได้มีกินมีทานแต่ก่อนนี้มีกินมีทานเพราะม่รวยก็ขอให้มีกินมีทานก็พอแล้วมันบ่งบอกถึงการดำเนินวิถีชีวิตของเขามีกินมีทานก็ถือว่าใช้ได้ เราเองก็เหมือนกันใช้ชีวิตแบบสันโดษสันตุถีเป็นผู้สันโดษสันตุสโกสโจะสุภโรจะเป็นผู้สันโดษสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายในช่วงช่วงกลางของชีวิตเนี่ยชีวิตเราเหมือน เหมือนลูกอมนะเหมือนขนมห่อนะ์มาที่แรกก็จะ น, น้อยๆแต่ตรงกลางมันจะปุ้งขึ้นมามันจะอ้วนแต่ทอนปลายมันเล็กๆนิดเดียวพอเหี่ยวไม่มีอะไรนะแต่ตรงกลางมันจะเยอะมากชีวิตแล้วก็เหมือนกันเราดูตัวเราดีขารีบๆขึ้นมาแต่พอท้องนี่มันจะปุ้งใหญ่ๆแต่พอมาตรงหัวก็จะเล็กๆ ล, ล, ลงลขึ้นเล็กๆเนี่ย มาที่แรกก็เหมือนไม่มีอะไรแต่พอตอนหนึ่งของอุปทานชีวิตช่วงอุปทานมันเยอะมากชาราธรรมนมันยาวชาติเกิดนิดนึงชารายาวนานใครอยู่ยาวอยู่นานมากอุปทานก็จะเยอะก็คือยึดนั่นยึดนี่ถือนั่นถือนี่ไม่กล้าจากไป คือไม่กล้าจากในสิ่งที่เรามีเราเป็นโยมโยมโกะเหลือเมื่อคืนปฏิบัติธรรมจากหลวงตาไปเข้ามาจากลาพูนเห็นะเขาว่าวันหนึ่งลูกชายโทรบอกให้ไปอยู่ด้วยเนี่ยลูกชายโทรบอกให้ไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันเห่นไหผมจะดูแลแม่แม่อยู่ทําไมคนเดียวอยู่คนเดียวก็ มันก็รู้สึกว่ามันมันว่ามันสบายอยู่ที่บ้านแต่พอเอาจะไปจริงๆดูดิรู้สึกว่มันเป็นห่วงวัตถุสิ่งของอันนั่นก็ห่วงอันนี้ก็ห่วงเฮ้ย mm. <Hey, S 2> ขนาดกูยังไม่ใกล้จะตายนะเนี่ยกูยังห่วงขนาดนี้แล้วเวลากูจะตายเนี่ยกูจะวางเป็นไหมจิตมันนึกขึ้นมาทันดีเลยแลนึกถึงไอ้คำหลวงตาพูดมันจะเป็นจริงนะเนี่ยเราห่วงนั่นห่วงนี่ไปหมดเลย วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ทั้งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแต่อันนี้มันกลับเป็นความรู้สึกว่ายึดซึ่งถือเราไปที่โน่นเราก็มีใช้ไปที่โน่นเราก็มีกินลูกดูแลแต่ว่ามันก็ห่วงอันนั้นห่วงอันนี้รู้สึกว่ามันผูกพัน แกเลยว่าถ้ามันตายเนี่ยถ้าตายเนี่ยว่าจะวางได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยติดอารมณ์อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วติดมาเรื่อยๆติดมาเรื่อยๆก็ผูกพันมาเรืเลยๆมาวันนี้ก็เข้าปฏิบัติธรรมฟังธรรม้างอะไรฟางแกรู้สึกว่อ้มันปลดมันปรงแล้วมันหลุดไปเลยอืมชีวิตนียังไงก็ได้แกรู้สึกเอามานี่ก็ง่ายคือแต่ก็ดูเรื่อยๆก็เดินโวบกลมนะไม่ใจเดี๋ยไม่เดินนะแต่มันไม่หลุด บ้านเราเรียกว่ามันไม่สว่างไม่สว่างสว่างสะอาดสงบคือต้องเกิดสว่างเกิดโอภาษ์ขึ้นมาในจิตไม่ใช่เพียงพอแต่เออเดินไปไหนมาไหนก็พอรู้สึกตัวเฉยๆไม่ไดนะ้การพัฒนาสติเราเราต้องไปสู่การรู้แจ้งในสติปัฏฐานสูตรที่สวดไปเมื่อกี้นะโดยเฉพาะในมันไม่ละเอียดแบนนี้นะ อาณาปณสติในสติปัฏฐานเนี่ยมันจะมีน้อยลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้มันจะหมดแค่นี้และที่เหลือนั้นออกมาจากสติปัฏฐานสูตรมะชิมรรคกายอุบริปรนัตคือมาเพิ่มเข้าไป พระพุทธเจ้าท่านจะไปสอนเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างในขริมานนสูบกระดิอาพาทสูเนี่ยเวลาไปสอนคนแล้วก็อกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเปล่อยวางละวางสะนะแล้วมันเลยลึกรู้อยู่กับลมหายใจทีนี้การเลลึกรู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดเข้าสั้นออกสั้นเขายาวออกยาว ล, ลึกดูเฉยๆคำว่ามาดูลมหายใจก็คือละความเป็นตัวตนละความยึดติดละความผูกพันอย่างที่ว่านี่ออกจากร่างกายสังขารแล้วมาดูกับลมที่มันเข้ามันออกเฉยๆไม่ได้มีอะไรมันเป็นความว่างๆชีวิตหนึ่งผูกไว้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองหมดลมหมดเรื่องมนุษย์เนี่ย ถ้าหมดลมหรือหมดเรื่องตายหมดเรื่องพอมีลมมีเรื่องคิดนั่นคิดนี่ไม่อยู่ในประเด็นสันตุถีมายังไงไปเป็นกองจะหอบเอาลูกเอาหลานบางที่จะตายยังอยากเอาเขาไปนรกไปสวรรค์ด้วยเลยมันผูกพันมากถ้ารู้สึกตัวมากเข้าต่อเนื่องเข้าต่อเนื่องเข้ามาเข้ารู้แบบ จิตเราสติเรามาเป็นอนหนึ่งกับลมหายใจไม่ได้เป็นนหนึ่งกับกายนี่นะคือไม่ได้เป็นกับความผูกพันกับอุปาทานทั้งหลายแต่ว่าเมื่ออยู่กับลมหายใจระลึกรู้โ ล, ล่งๆหงหลงสักพักหนึ่งก็จะเป็นจิตตั้งข้าระปฏิสังเวทีสัพภกายปฏิสังเวทีสัพภกายปฏิสังเวที ตัวต่อมาจะเป็นนี้ดันดีเลยนะปัสสิสาเมติอัสสิสาเติสิกติสภากายาปฏิสังเวทีก็หมายว่าพอรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเป็นสักพักหนึ่งก็จะส่งผลไปสัพพะแปลว่าทั้งปวงภาษาเราเรียกโดยทั่วไปคือเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมก็คือรู้เองโดยธรรมชาติแต่ก่อนรู้แต่ลมหายใจพอมันชัดเจนขึ้นมันปล่อยวางอันนั้นทั้งหมดเนี่ย แล้วมันจะรู้หมดเลยเราขยับยังไงหมุนคอนั่งกระดิกเท้ากระดิกมือเคลื่อนไหวลมหายใจออกหัวใจมันเต้นทุบทบทุบทับบบอา้าวมันจะรู้สึกเมันรู้สึกเอง น, นั่นีอเนา ะ, ะแสดงว่าความรู้สึกตัวมันขยายใหญ่ขึ้นความทุกข์ก็เกิดในหมื่นโลกธาตุนี่แหละเกิดในตัวเราเนี่ยอุปทานเกิดกับตาหงูจมูกลิ้นกายใจกับเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหน่ง ทีนี้เรารู้ตัวทั่วพร้อมนะเหมือนหางฮนุมานนะพันรอบเขาบันโพธิ์กิรีเลยทีนี้ไอตัวสังกรณีตัวยาเนี่ยมันไม่รู้จะวิ่งไปไหนอ่ะมันต้องจับมาได้อจับมาได้ไอตัวสังกรีจริงๆแล้วก็คือตัวกิเลสนั่เอง <c oughs> ตัวกิเลสเราจเจอตัวกิเลสแต่เอาตัวกิเลสเนี่ยเมื่อฝนทากระปั่นจามานาทีกระปัญจามานทมานทีก็คือก็คืออินทรีย์นะ มาฝนเข้ากันเข้ายาคือเอามาแล้วให้ดูแบบโยนิสโสมนสิการสรบ ป, ปุ๊บตัวยาสังกรณีมันจะหายไปคือกิเลสมันหายไปหายไปก็เป็นอนัตตาก็เข้ามาสมารร่างกายคือไอความเข้าใจเรื่องของอนัตตานะ่ะส่งผลต่อชีวิตคือความไม่มีอะไรสุดท้ายคือมันไม่มีอะไร ตัวกระ ย, ยาคือศรัทธาิริยสติสมาธิปัญญาผสมกับตัวยานี้ยาคือโอสถพุทธโอสถธรรมโอสถสังโฆสถพอละลายปุ๊บเอากลายเป็นคนธรรมดาขึ้นมาคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความเย็ดมัน่นหรือมัน่นก็กลายเป็นอนัตตานั่นเองทีนี้ทำไงไม่ที่จะพันรอบได้ก็ต้องเกิดสัพพกายะปฏิสังวิี ต้องสามารถรู้ตัวให้ได้รู้ตัวให้มันต่อเนื่อง <spe ak les> เพื่อต่อเนื่อง <spe ak les> เพื่อจะเป็นทั้งหมดเห <spe ak les> มือนต้นไม้เราพอในดินเท่าเราลดต่อเนื่องมันก็งอกเราดูฝนเนี่ยมันฝนตกต่อเนื่องถ้าเราดูแดงเราลดบ้างไม่ลดบ้างมันก็ไม่งอกแต่ถ้าดูดฝนเนี่ยมันเป็นเองนั้นต้นไม้มันก็เจริญงอกงามคนเองโดยธรรมชาติงนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันอยากให้มันเป็นฤดูของการปฏิบัติ ฤดูของการปารลความเพียรฤดูของการศรัทธาฤดูของการระลึกรู้ฤดูของการเห็นอารมณ์สรุปก็คือเรามาทําให้อินทรีย์เรามันแก่ก้ามันพัฒนาขึ้นมากขึ้นมาขึ้นแล้วมันเป็นความตอกเนื่องของมันน่ะเราทุ่มใส่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยู่ในบ้านหรือว่าเป็นฤดูฝนไม่ฤดูปฏิบัติมันไม่ทุ่มบานนั้น แต่ถ้าเราทําใจได้ตั้งใจทําทุกจิตที่บ้านก็เป็นรุดูได้รดูแห่งธรรมรุดูแห่งการกระทําฤดูแห่งศรัทธารดูแห่งความเพียนมาถึงทุกครั้งทุกที่ทุกสถานใครเป็นเวทีทําไปหมดเลยเราอยู่ที่ไหนก็เป็นเวทีทําเลยรึกรู้ขยับนิ้วขยับมือพยายามระลึกรู้เจอทั้งกายเป็น สภกายะปฏิสังเวทีเป็นเวทีของการระลึกรู้ทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยกระพิบตาก็ลู้หายใจก็รู้จิตเรามันไม่ออกมันเฝ้าดูเรื่อยๆแต่ได้เรายังไม่สิ้นอาสวะก็ต้องเฝ้าดูตัวที่เราสะสมคัหนึ่งเราคิดครั้งหนึ่งนะแล้วเราเกิดความอยากความพอใจครั้งหนึ่งมันจะกลายไปเป็นอาสวะเป็นอนุสัย เป็นอนุสัยที่มันหมักดองในใจเราอนุสัยแปลว่ากิเลสที่เขาไปนอนเนื่องประทับใจมากเรื่องหนึ่งก็ฝังลงไปในใจครั้งหนึ่งประทับใจสองครั้งก็สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนั้นอย่าพยายามสร้างความประทับใจกับทุกเรื่องนั่นก็คือต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงอาการเป็นเพียงรูปเพียงนามแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไหลไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อเราไม่ฝังตัวอนุใสลงไปมันไม่มากอนุใสไม่มากมันก็ไม่ไหลออกมาไม่บังคับเราให้เราเป็นการกระทําตัวที่มันไหลออกมานะี่ยเขาเรียกว่าอาสวะมันบังคับให้เราต้องทํานั่นทํานี่ขึ้นมาถ้าไม่ทําก็ไม่หน่ อ, อึดัดรักใครชังใค ร, ใครต้องไปหาเนี่ยมันมีมากโทสะโกรธใครเกลียดใค ร, ใครมากเข้ามากเข้าคือมันเข้ามามันต้องไหลออกมาไหลออกม า, ออกมาทางความรู้สึกทางพฤติกรรม พฤติกรรมก็คือการกระทําเป็นกิริยาเป็นกิริยากายแต่พระผู้ปฏิบัติธรรมนี้เขาสลายตัวอนุสัยมันไม่มีอนุสัยในใจนั้นการปฏิบัติตัวการทํา น, น, นู่นทํานี่เขาเรียกว่าเป็นมหากิริยาจิตเป็นกิริยาจิตแบบหนึ่งที่ไม่มีอาสวะไม่มีอนุสัยนั้นผลตอบสนองมาก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษคือมันไม่เป็นกิเลสนี่นเองอ อาสวะที่มันไหลออกมาพอมันออกมาข้างนอกไปทํากรรมปุ๊บก็กลายเป็นกิลเลสเหมือนเราเป็นโรคเยอะๆเนี่ยข้างในมันต้องบังคับให้เราต้องไอต้องนั่ต้องนี่ต้องบังคับให้มันออกมาถ้าไม่ออกมาก็ไปไหนเราก็อึดเราก็จะบ้าตายซะแต่ความเป็นจริงเมื่อทําให้หายโรคมันก็ไม่มีข้างนอกเนี่ยนั้นเรามาที่นี่ก็คือมารักษาตัวเองมารักษาตัวเอง แต่ว่าต้องกินยาให้มากจนยานี้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าสภกายะปฏิสังเวทีคือเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมที่มันเป็นเองโดยธรรมชาตินะสติมันอยู่เองมันพอใจที่เราเลือกเองไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปมาในสภาวะแบบไหนสติก็เป็นไปเองรู้สึกเองแล้วมันจะรู้สึกถึงว่าออชีวิตก็แค่นี้เนาะ ชีวิตมีแค่นี้เมื่อเจ้ามาก็มาแต่ตัวอะไรนี่ที่เขาเขียนไว้นะ่ะมาแต่กายเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเราจะเอาอะไรเจ้ากไปมือเปล่าเหมืนอนเจ้ามาเข้าใจชีวิตแล้วมันก็เท่าที่มันมีนั่นแหละมีพันล้านก็อยู่พันล้านมีแสนล้านก็อยู่แสนล้านมีห้าสิบาทก็อยู่5้าสิบาท เอาพออยู่ได้ชีวิตเนี่ยชีวิ ต, ตกเกิดความสันตุทีคือไม่เกิดความเร่าร้อนเพราะสิ่งที่มีหรือไม่มีหาตามความเป็นจริงที่มันเป็นนั่นเองครครองไว้ไม่ได้สำคัญมั่นหมายในบรรยากาศหรืออาการของโลกที่เราต้องมาสร้างพบสร้างภูมิขึ้นมาให้มันมากมายเพียงแต่รับรู้เฉยๆในลนักษณะพัฒนาการของตัวรู้ตัวสติก็เหมือนกันนะ พอมันเกิดความรู้ตัวทุบล้อมแล้วตัวต่อไปมันนั่นขึ้นมาทันทีเลยจิตมีราคะตระกางว่าจิตตั้งสราครังจิตทันติปชานาติอันนี้จิตของพระคือเราเริ่มเห็นนะเริ่มความเป็นมัดจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตมีโทสะสะโทสังว่าจิตตังสะโทสั่งสโมหังจิตตันติปัญญารู้เริ่มรู้จักมีราคะโทสะมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีราคะโทสะรู้เฉยๆนะแต่ก่อนไม่ค่อยรู้แค่รู้สึกตัวทั่วทุบพร้อมนี่เราก็ลําบากแล้วนะคำว่ารู้สึกตัวทุบพร้อมหลังจากนั้นก็คือมันจะรู้รูปนามไอ้คือค อ, ค อ, อาการรูปนามปรากฏขึ้นนั่นแหละ เมื่อไหร่ที่ที่เราเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวที่มันเป็นเองขึ้นมาเนี่ยกับตัวเราบางทีมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวพอให้เรารู้จักว่าเออมันอยู่แบบนี้นะก็แบบแล้วก็ดําเนินการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆคือการเห็นทางนะต้นนั้นแหะเขาเรียกว่าอาการรูปนามปรากฏเกิดขึ้นรู้รูปรู้รูปมันเป็นรูปเฉยๆนะรู้ตัวเฉยๆไม่ได้คิดอะไรกับมันนะ่ะ เวลาเดินก็รู้สกวาสบายเดินไปสบายลงล่งโอ้ไกลกับใจม่อยู่ได้กันมันเป็นแบบนี้เนาะมันไม่ได้ทุกนะมันไม่ได้ยึดอะไรว่างเปล่าหมืนอนโยมคนหนึ่งว่าโอ้ยเดินไปเดินไปมีความสุขจังตาผมเดินไปดนไปมีความสุขจริงๆนะอารมณ์มันดีมากโอ้ยใครจะมาฆ่ามาแกงมานมานี่ ผมจะไม่โกรธเลยตอนนั้นตอนนั้นนะมันสบายอ่ะจิตมันสบายใจมันว่างเปล่าตื่นขึ้นมาก็สดใสไม่มีห่วงไม่มีเงา้าจิตสบายจังแ้าพรดพุทเจ้าเลยพูดเลยพิสูจน์ทางไหน แต่หากมีโจรมาตัดขาเราเราโกรธเขาเธอไม่ใช่บุตรของตถาคตเธอไม่ใช่สมณะในสากยบุตรนี้เธอไม่ใช่สิทธาคตไม่ใช่ลูกลูกลูกอะไรลูกสิทิยะิทธยะเธอไม่ได้เกิดจากการปากของเราไม่ได้เกิดจากปากเราไม่ได้เจอจากการสอนของเราเธอไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่บุตรของเราถ้าไม่โกรธไม่เกลียด ทำใดไ ด, ได้ปล่อยวางได้นั่นเป็นลูกของเราเอา้าวนิมนพระเราหันหน้ามาทางโยมและธ้รมาห่วงพระเนี่ยมากกว่าโยมนะโดยความสัตย์จริ ง, จ ร, งจริงนะไม่ใช่พูดแบบประชดประชันเลยร้รมาห่วงพระเพราะพระนี่จะมีความรู้สึกว่าเราได้บวชแล้วมันมีความรู้สึกถูกเคารพจากคนอื่น ความเพียรมันจะน้อยความเพียรจะน้อยมากโยมเนี่ยความเพียรถ้าสามส่วนเนี่ยโย่ถ้าถ้าห้าส่วนเนี่ยโยมได้ไปห้าส่วนพระนี่จะประมาณสี่หรือสามจุดห้าเนี่ยั้นมันจะเท่าเท่ากันฟังเทศเนี่ยฟังจากหลวงตาเท่ากันออกไปปฏิบัติก็ปฏิบัติเท่ากันแต่พระนี่จะชา้ชา คือก็ไม่ได้รับภาระอะไรนะแต่รู้สึกว่าสภาวะธรรมเนี่ยจะเกิดกับพระเนี่ยแทบไม่มีบางนีจะต่างจากโยมต่างจากครวา่าคือฟังธรรมเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเวลาเท่ากันมานทีก็ตื่นเช้าก็โดยซ้าไปยิ่งแต่พระมีความคือธรรมะมันไม่ปรากฏสภาวะธรรมไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโลดำหน้าที่ ไม่ดีพอศาสนาพุทธธรรมที่อยู่ในตัวพระสง์เนี่ยจะเริ่มหมดหายลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปว่าจะหายไปไหนไปความง่องเงยแห่งพระศาสนานี้ก็จะมีน้อยคือความตั้งใจหรือความเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะต่างจากโยม ก็ไม่รู้เหมัอนอะไรเหมือนกันนะอาจจะคิดว่าอาจจะมีเวลาเก็บอารม์อาจจะมีเวลาไอ้นู่นอั น, นีนะ้เวลาปฏิบัติเลยไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้เดี๋ยวขอปฏิบัติตัวนู้นลอกอะไรประมาณนะั้นอาจจะมีความรู้สึกแบบเข้ามามันก็เลยแค่แค่ว่าทําพอเป็นตัวรอดไปวันๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องเอาชนะกับกิเลสที่มันเป็นในประมาณเนะี้ยคือความจริงจังเนี่ยมันจะน้อย แต่ถ้าเรามีความศรัทธาตั้งใจที่จะพ้นทุกเนี่ยเวลาพระถือว่าเยอะอยู่พะสมควรแล้วเราเป็นผู้ฝึกหัดมานานเราสามารถเอาชนะคี่กลมขึ้นไปกับการเวลาเนี่ยได้ปฏิบัติทำแล้วก็ทำได้ดีอารมณ์ก็เออก็รู้ระดับหนึ่งก็ขยันทำขยันทำเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ คือเอาชนะกิเลสได้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆในทุกครั้งโยมกับบ้านพระก็มีโอกาสทา ม, มีงานปฏิบัติทมพระก็มีโอกาสทาทําตลอดนะแล้วก็ถ้าทําจริงทําจังเหมือนโยมเนี่ยอาจารมาว่าทาไมอาสวะมันถึิงจะไม่หายทำไมมันจะดับทุกไม่ได้แต่ส่วนมามบาทีมันเหมือนกับเราให้คุณค่าไป แล้วก็ทําเรื่องนะถ้าแต่จะง่วงจะเง า, จ ะ, งาจะคิดจะพรุงแต่งมันมันจะต่างก็เลยเป็นความเป็นห่วงนะเป็นห่วงอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่เป็นฆรวาสเนี่ยก็ตั้งใจทําแต่พอบวชปุ๊บนึกว่าตัวเองหอมพระเหลืองเข้ามาแล้วก็นึกว่านั่นคือความเข้าถึงธรรมไม่ใช่นะ มันคล้ายๆว่าเป็นการประกาศกับโลกว่าเราจะเป็นผู้เป็นทหารละยอมตายในสนามรลกเราจะต่อสู้กับมันจริงๆยังจังละอะรประมาณนั้นพระนี่ส่วนมากจะเป็นมวยเชิงเป็นบ็อกเซอร์แต่ญาติโยมเราดูเป็นไฟเตอร์คือเป็นคนจริงจังมากกว่า นั้นพระจึงกลเป็นภาวะหล่อหล่อแหล่ๆไปนั้นสภาวะทุกข์มันทุกข์เหมือนกันนะแต่การสวมวิญญาณของการต่อสู้เนี่ยมันต่างนั่นจะให้สภาวะทำปรากฏแบบระยะเจ็ดวันเอายอมเตรียมตัวมาเต็มร้อยพระก็ ง, งานงานหนึ่งถ้าใส่สภาวะทำจริงๆมาเตรียมตัวฝึกกันอย่างเต็มร้อยจริงๆเนี่ยทําไมาว่าทําไมมันจะดับทุกข์ไม่ได้ มันมันหนึ่งโยมจะมีความรู้สึกละอายถ้ายังไม่ได้สภาวะธรรมเหมือนเขาคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้คนนั้นก็เข่าใจคนนี้ก็เห็นเฮ้ยเรายังไม่เห็นวะ่ะตื่นมาเขาจะคิดแต่เรื่องเดิมอต้องทำจริงจริงแล้ต้องปรับลงแล้วเมื่อวานี้มันมีม่วงบ้างมันมีคิดบ้างวันนี้จะเอาจริงเอาจรงขึ้นมาอย่างเงี้ยโยมก็จะสามารถสัมผัสสภาวะธรรมได้เรื่อยๆ เ, เ, เอาชนะทุกได้เรื่อยๆนั่เนเองสัมผัสสภาวะธรรมเนี่ย สภาวะธรรมพื้นสภาวะของอนิจจังภาวะของอนัตตาสามารถสลายภาวะความคิดความปรุงแต่งมีราคาเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีราคามีโทสะมีโมหะสังขาระจิตตสังขาระปฏิสังเวทิรู้สึกว่ามันมีจิตนี่มันปรุงแต่งเวทีนี่จิตมันยังมีการปรุงแต่งอยู่นะการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยหายใจเข้าก็รู้ฉันก็รู้หายใจออกฉันก็รู้ ขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกรู้ว่ามันมีนะเนี่ยเหมือนกันนะ่ะวิถีชีวิตเวลาเราเดินไปเดินมาทำอะไรก็ทำเราก็รู้นะมันยังลงแต่งอยู่เนี่ยจิตมันมีราคารู้จักนะมันมีโทสะก็รู้จักนะมันง่วงมันเหงาก็รู้จักนะแต่บางทีแปลกประหลาดมากเอาไปะบวดแล้วทำไมง่วงมากจังอนะบวดมาแล้วงุนหิตก็ทาไมมากจัง เพราะอะไรเพราะความสําคัญมัติหมายในความมีความเปลี่ยนภาวะที่เขาสมมุติให้มันจะมากกว่าเดิมมากกว่าคราวาสถ้าจะพูดไปแล้วก็คือถ้ามองแบบในแง่ดีก็คือเหมือนมันเห็นชัดขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่การเห็นชัดนะมันเป็นการเวทีของกิเลสที่มันแสดงออกมามากขึ้นมากมันง่วงมากขึ้นมันโทสะมันมากขึ้นอะไรมันมากขึ้นไปเรื่อย นั้นการได้เห็นทำที่เห็นว่าเออทุกอย่างมันเป็นอนัตตานะเกิดดับนะมันน้อยความเพียรเราไม่ถึงนีง่พูดยังไงก็คือสติมันไม่อยู่กับตัวเพราะสติมันไม่อยู่กับตัวเหมือนเราไม่ได้กินยาเข้าไป <c oughs> มันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาการสลายทุกขสลายอนุสัยที่อยู่ข้างในความสงบเยือกเย็นที่ออกมาก็คือกลิ่นไอของนิพพาน มันไม่มีงั้นาติยมทั้งหลายก็เหมือนกันเวลากลับไปบ้านรู้สึกว่ามีกลิ่นอของงานปฏิบัติกลิ่นอายของความสงบเยือกเย็นความสันโดษแต่มันจะเป็นสักพักถ้าเราไม่สานต่อก็คือเหมือนเราก็ลังดันขึ้นไปบนภูเขาเรารู้สึกขึ้นมาที่สูงในนิดหนึ่งแล้วเริ่มมองออกแล้ว น, น่นนี่แต่พอเราหมดกาลังต้านเราก็กิ้งลงไปเหมือนเดิมเพราะมันยังไม่ขึ้นถึงยอดเขาแล้วลงมาทางนี้ มันก็กลับไปเหมืนมันกิ้งโคโลโคโลไปเหมือนเดพราเราดันไปสู่ในจุดที่ขึ้นไปสูงซะหน่อยแล้วมองเห็นโน่นเหนนี้เห็นได้ไหมเห็นได้เห็นชีวิตที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าเราความเพียรเราไม่มีพอที่จะดันขึ้นไปอีกมันรู้สึกว่ามันออกจากป่ามองเห็นป่าแต่ว่าเป็นยังไงเห็นทิศทางการเดินทางแต่ว่าการเดินทางเราจบลงตอนนั้นพอดีก็ไม่อย่างให้มันเป็นแบบนั้นนะ เหมือนเราตรวจสอบตัวเองตลอดเวลานะ่ะอยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบมีหมู่มีคณะเนี่ยอย่างญาติโยมเอาอยู่ได้กันเอาคนนี้ก็เดินอยู่กับคนนั้นเขาไม่หลับไม่หลับไม่ง่วงไม่เงาเอาตั้งใจเบไม่ ง, ง่วงเอาก็เกิดความละอายคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจะมีศรัทธาแล้วก็มีเหรโอดตตาปะนะเรมีวิริยะแล้วก็จะเกิดปัญญาเรามีความละอายอา้าวเราส่งเกตคนนั้นไปแปลงฟันล้างหน้ามาแล้ว ไม่ไวจังอ่ะเข้าที่ปฏิบัติทำแล้วคนที่เข้าที่ปฏิบัติทำแล้วบางคนเล่นนั่นนี่ไปหหมผ้าทำนันนี่นอนหลับเล่นงัวงัวอยู่เนี่ยมันไม่มีหิลิโอตปะคือบ่งบอกเลยว่าคนนี้ไม่มีความศรัท ธ, ธามันไม่เต็มที่มันไม่เบิกบานยกทั้งว่าเป็นเฮลิโอตปะมีความมุ่งมนะนแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะเอาชนะทุกขอยากทําให้มันต่อเนื่องเนี่ยในจิตของคนนั้นมันมี น, มน้อย พอมันมีน้อยมันโตช้ามันเหมือนกับเราลดน้ํานี่ยลดทีละหยดสองหยดนะทั้งที่ต้นไม้นี่มันจะโตละมันต้องการปริมาณที่พอสมควรมันก็ไม่เราก็ไม่ให้มันในสุดมันก็โตช้าเอาคนที่เอามองไปทนันทีมาเดินจู ก, ก็มีแล้วมองไปทนันทีเย็นแล้วทําความเพียนแล้วแลั่ลึกรู้แล้วตั้งใจแล้วดังนั้น อารมณ์กรรมฐานมันก็ปรากฏกับคนคนนั้นแต่บางคนอ้าวเอื่อยอายจะเพลียแล้วจะมืดจะคํำแล้วค่อยๆเห็นปรากฏกายเยื่อไงหมอันนี้มันยากนความแยกไขเราไม่มีคือมันไม่มีโรฮีดิวตาปะก็คือตัววิริยะมันก็ไม่อยากสู้กับอะไรที่มันนั่นแหะก็ลหลบหลีกไปามเรื่องไม่อยากสู้กับอารมณ์ที่เข้มแข็งขึ้นมานก็คือประคองไว้ หรือบางทีเราก็ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปสาหายทานั้นทำนี่มันลืมไปแต่การสู้กันตรงๆกับกิเลสเนี่ยอย่างสู้กับม่วงสู้กับปรุงแต่งเนี่ยอ๋อมันจะมาย่งไรกูจะเดินอยู่อย่างเงี้ยกูจะไม่ออกจากทางจุดดูมันที่เริ่มตั้งแต่เช้าเลยประมาณเนี่ยมันไม่มีภาวะอันเนี้ยพอไม่มีวิทยาตัวนี้การหลุดพ้นการดับทุกข์มันก็ไม่เกิดนั้นปัญญาก็ไม่มี ปัญญาก็คือการดับความทุกข์ได้นั่นแหละเพราะวิริยะมากเข้ามาเข้ามาเข้าก็ปิ้งออกไปหลุดพวกลไปนั่นนะปัญญาแบบวิปัสนาปัญญาแบบวิปัสนาคือภาวะอันนั้นวิปัสนาชื่อของปัญญาคือชื่อของสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเข้าสู่เส้นทางธรรมประคองธรรมไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนไหนที่ยังไม่รู้ตัวตัวพร้อมเราก็ให้มีความรู้ตัวตัวพร้อมก่อน แล้วก็มาเรื่อยๆเวลาเกิดความรู้รู้สึกตัวเนี่ยเข้าเหมือนว่าเปรียบเหมือนในช่างกลึงหรือลูกมือของในช่างกลึงผู้ชำนาญทีคังวาอันชั้นโททีคังทีคายุโกโหตุเนี่ยทีฆาทีคาแปลว่ายาวรัดสังแปลว่าสั้น <c oughs> คือเวลาเราดึงเชือกปริงดึง ย, วยาวๆเนี่ยเราก็รู้ว่าดึงยาว เวลาดึงสั้นเนี่เราก็รู้ว่าเราดึงสั้นเหมือนกันเราเคลื่อนไหวยาวเราก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นก้าขา ย, ยาวก็รู้ว่ากวขา ย, ยาวหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็ตามรู้หายใจเข้าสั้นหยาบละเอียดพอสักพักหนึ่งมันจะมีความยินดีความพอใจหลอกกับมอันนี้มันจะรู้สึกความแตกต่างของกัน ภาวะของจิต ท, ที่มันสันโดษเนี่ยมันอยู่กับลหมหายใจอยู่กับภาวะที่ไม่มีอะไรเนี่ยอยู่กับใจที่มันสบายๆทีนี้พอสติอยู่กับตัวมันขยายการเลืลึกรู้ไปถึงจิตขยายการ ล, กลืกรู้ไปถึงจิตโดยธรรมชาตินั้นในอาณาปณสติสูตรมันสำเร็จมีทั้งสิบหกขั้นตอนที่แรกก็รู้สึกเฉยๆต่อมาก็รู้กายรู้ใจมาเข้ามาเข้าก็รู้ความคิดรู้อารมณ์ จิตว่งเฉยก็รู้สึกว่าจิตว่างเสอเฉยจิตปรุงแต่งนะก็รู้สึกว่าจิตปรุงแต่งจิตมันกำลังพิจารณาก็รู้จากคนพิจารณาฟุ้งซ่านวิกฤจังว่าวิกฤจตางจิตปัตตานาติจิตฟุ้งซ่านก็รู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านก็รู้นะไม่ใช่เราจะมาทำให้มันไม่ฟุ้งซ่านนะเราทํากายสังขารกายยสังขารก็คือสภาวะ ของความเปลี่ยนแปลงความปรุงแต่งกายะสังขารนี่หมายถึงการปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งมันปรุงอะไรเกิดขึ้นก็ไปคิดเพิ่มอะไรก็เกิดขึ้นก็คิดเพิ่มง่วงมาก็ง่วงเพิ่มไม่รำคิดก็คิดเพิ่มขี้เกียจมาเราก็คิดเพิ่มนี่เขาเรียกว่าเราปรุงแต่งกายะสังขารเราเป็นผู้ทากายสังขารให้สงบประงับอยู่ ขณะหายใจออกเอาเราตัดมันคือการตัดความคิดนี่แหละตัดการปรุงแต่งตัดความกุ่วายความเหงานี่แหละคือเรากําลังทํากายสังขารให้มันสงบประงับอยู่ให้มันสงบขณะหายใจเข้าเราก็กําลังทําเราทํานะไม่ใช่ไม่ทําทําให้มันสงบประงับนั้นมันปรุงแต่งแล้วก็ดับไป มุ่งแต่งกระดับไปโอ้กรดับไปมากเข้ามาเข้ามาเข้าจ า, า, ากลายเป็นความเคยชินเคยชินที่มันคิดมามันต้องดับมันคิดมาก็ต้องดับนั้นต่อไปการปรุงแต่งทั้งหลายต้องผ่านสติซึ่งเป็นตัวกรองเป็นตัวกรองเป็นไส้กรองอากาศเป็นตัวกรองการกระทําเป็นตัวกรองความรู้สึกนึกคิดที่จะเข้าไปกลายเป็นอนุสัเยเนี่ยมันจะเป็นตัวกรองอันนี่ในขณะเดียวกันไอ้ที่อยู่ข้างในเราก็เขียออเข่ยออกเขี่ยออกก็คือค้ายๆว่า ไอ้ที่เข้ามาข้างนอกเราก็ระวังแต่ในขณะเดียวกันเราก็สังเกตเขาไปในอารมณ์เราเรื่อยๆง่วงเนาะเบื่อนะเนี่ยขี้เกียจมาอีกแล้วเบื่อไหนไมังคือความขี้เกียจไม่หมายความขี้เกียจการทําการทํางานนะมันขี้เกียจมันหดหูต่อการสังเกตการดูเนี่ยตัววิริยะคือต้องมาเรื่องของใจเรื่องของการงานเป็นเรื่องของข้างนอกอ แต่ถ้าฝึกข้างในได้ไอ i, ตัวข้างนอกมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติมันท น, นพอถึงสภาหักหนึ่งก็อา้าจิตมีสมาธิก็รู้ว่ามีจิตมีสมาธิจิตตั้งมันก็รู้ว่าจิตตั้งสมัยตั้งว่าสมาัยตั้งจิตตั้ติปัญญาติรู้ชัดว่าจิตตั้งมันรู้ชัดด้วยนะไม่ใช่รู้แบบฟางๆนะรู้แบบสลึมสลือรูปแบบ คือใครๆว่าเรานั่งเนี่ยใครเดินไปมามันก็พอรู้อยู่เสียงชัดๆแต่ว่าจิตจริงๆคือมันหลับมันหลับในน้อยข้างนเขาไม่เอาแบบนั้นน่ะแบบนี้ไม่มีโอกาสรู้ทำนะมันไม่ใช่ลักษณะของปรญญาาติคือต้องให้มันรู้ชัดเดินรู้ชัดไหมหรือรู้แบบ รู้ว่ากูเดินอยู่อะไรนี่เลนน้อยแต่ว่ามันไม่รู้ชัดคำว่ารู้ชัดนี่มันต้องสว่างไปถึงใจไม่ใช่รู้ชัดแต่เดินนะหมือนแสงสว่างมันมีพอเนี่ยมันจะสว่างไปถึงใจแต่รว่าไงว่านาทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ในมนาความสว่างทั้งหลายเนี่ยปัญญาสติปัญญ า, ญญาที่เราฝึกสติมากขึ้นมาขึ้นมากลายเป็นยามันจะส่องสว่างไปถึงใจเพื่ออะไรเพื่อเห็นเห็นอาการของจิตที่มันปรุงแต่งนี่นแหละที่มันยึดติดเนี่ยมันพอใจไหมพอใจที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะพอเราไม่สนใจว่ามันเป็นนี้นะพอเราคิดเพิ่มมันก็เ พ, กเพิ่มกับการคิด มันไปติดตัวปรุงแถมขยับไปขยับไปแต่พอเราไม่เพิ่มเราเห็นการขาดช่วงเขาเรียกว่าเห็นภาวะของสันตติการติดต่อสันตติหรือปฏิจจะสมุป บ, บาทคือมันปฏิจจประต่อกันเนี้ยมันหลุดออกไปมันมีความว่างเกิดขึ้นเราก็จะเอา้าวเริ่มละสะสมความว่างละทีเนี้ยรู้จักว่ามันแทรกเข้าไปตรงนี้นะั่นจิตรู้จักว่าต้องสลายตัวนี้นะมันก็จะเริ่มมีพลังขึ้นมา แล้วมันทําได้ต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเป็นอยู่ด้วยธรรมชีวิตเราทีเนี้ยเป็นอยู่ด้วยธรรมเป็นอยู่ด้วยการกระทําที่มันเป็นมรรคเป็นมรรคก็คือกําลังทํำผลก็คือตัวที่ทําได้แล้วคือสลายไปแล้วก็คือว่าเราอยู่ด้วยผลชีวิตเราอยู่ด้ผลพีิคุณังศิข้าเส้าชีวสมาปนาชีวิตนี้ถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ด้วยธรรมด้วยการศึกษาด้วยศิขะคือด้วยศีลภาวะของศีลศิขะสาม ศีลก็คือความปกติสมาธิความตั้งมัน่นปกติธรรมดาเนี่ยแต่ขณะที่กระทบถ้าปกติอยู่แต่เวลากระทบมันไม่ตั้งมัน่นแสดงว่ามันไม่เป็นสมาธิอย่างใจเจยเฉยเนี่ยเนี่ยคือใจปกติใจมีศีลศีละเป็นปปกติแต่ว่าเวลากระทบเนี่ยมันหวั่นไหวสมาธิมันไม่มีทีนี้พอจิตมันมาติดอารมณ์ปุ๊บภาวะของการสลัดทิ้งเนี่ยมันไม่มีปฏิริสโคจาติมุติอนารยมันไม่มีอะ ปฏินิสโคสลัดคืนจาโคจาฆะออกไปมันเข้ามาในจาฆะจาฆะนะจาฆะนี่เป็นสั์ทางจิตนะนะสลัดสิ่งที่ไม่ดีที่มันผูกพันนอกแต่เราก็คิดว่าจาฆะนี่หมายถึงว่าการบริจาคเงินทองเข้าของนะคือศาสนาพุทธเขาจะเน้นเรื่องการดับทุกทุกันแต่เพราะ พวกเราทั้งหลายไม่คุ้นกับการปฏิบัตินั้นก็ยืมมอสัพทางศาสนาเนะี่ยไปใช้กับวัตถุหมดเลยที่จริงมันเป็นเรื่องของภาวะทางนํามาทําเรื่องของจิตใจเรื่องภายในะที่ถ้าเราจะฆ่าออกจะค่าออกอยู่เรื่อยๆอารมณ์อะไรก็จะค่าออกเขาตึงว่าไงให้ทานไม่เท่ากับการรักษาศีลรักษาศีลคือให้ทานอกไป มีปัญหาอะไรก็วางห อ, อกวาง อ, อกวาง อ, อกจะไม่เท่ากับการทำให้จิตมันตั้งมันรักษาเส้นมากๆก็ไม่เท่ากันเป็นสมาธิมีสมาธิทั้งมันเยอะก็ไม่ชื่อกับการเกิดปัญญาที่มันเป็นเองเป็นสมุติเฉดการดับได้เองคือพยายามที่จะมุ่งไปประเด็นที่ทการดับทุกหนึ่ะ ดังนั้นมันมีอะไรก็ตามที่ปรากฏในใจในขณะที่เราทําเนี่ยเราสลัดทิ้งเราลองแก่งทิ้งคว้างดิ้งดูดิไอความดีก็คว้างดิ้งดูดิความชั่วความพอใจไม่พอใจทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเราลองสลัดดูดิล้วปล่อยวางดูดิแล้วมันจะเป็นยังไงให้มันคุ้นเคยกับการปล่อยวางการอยู่โดยไม่มีอะไรลองดูดิเมื่อ ก, ก่อนเราต้องมี ต้องมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาหล่อเลี้ยงใจแต่พอเราปล่อยวางนี้ <c oughs> มันจะเกิดภาวะใหม่คือเกิดทะวะธรรมปิติเกิดขึ้นมาเป็นตัวเลี้ยงจิตเราเราจะรู้สึกว่าสบายชีวิตเนี่ยชีวิตที่เกิดจากการไม่มีอะไรที่มาเป็นหุ้มหุ้มจิตเราเนี่ยจิตเรามันความบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าจิตมันประพัสอน จิตมันประภัฒสรคือมันสบายสบายเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตประภัฒนสอนแต่เมื่อไหรที่เราคิดขึ้นมาความคิดมาหุ้มจิตเราทีนี้ความเป็นประพัฒน์สอนเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะมันยังไม่ผ่านระบบวิปัสสนาดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นในจิตมันก็ติดกุศลเกิดขึ้นในจิตมันก็ติดแต่กุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมาก กุศลนี่มันเกิดขึ้นในจิตน้อยมากเห็นภาสิทธิ์ลงปู่มั่นนะไม่ทรงกหกพันนากระปอมกาขึ้นมือห้อยกระปอมหน่อยขึ้นมือพันตัวมาบ่ท่านกันแลนน้ากันกูมือกูมือขึ้นขึ้นทุกวันไม่ทรงกคือไม้มันมีไม้ลําหนึ่งมันหกิ่งหก้าหง้าคือสาขามันอ่ะมันมีหก้ากระปอม กิ่งกาขึ้นวันละร้อยกระอมใหญ่นะั่งกิ่งกาเนี่ส่วนกระป๋อมน้อยก็คือตัวเล็กนะ่ยมาเป็นพันวันหนึ่งตัวที่ยังมาไม่ทันก็ไห่มาด้วยกันทุกวนันดุมือดุมือหมายถึงว่าไม้ก็คือกายเนี่ยไม้ทรงหกพันงาหกพันกิ่งก็หมายว่า ไอ้ที่ความผูกพันเนี่ยมันเกิดอยู่กับหกกิ่งนี้กิ่งของตาหูจมกูกล่างกายใจมีสักกหกหกกิ่งทีนี้กระปลอมกระปอมก็คือของปลอมของปลอมก็คือสมมุติธรรมสมมุติธรรมเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาทั้งตาทั้งหูทุกวันทุกวันวันละเป็นร้อยมันมาเนี่ยเป็นร้อยเรื่องพุทขึ้นมาเนี่ย เรื่องใหญ่ๆมาเป็นร้อยเรื่องตัวน้อยๆกับปอมน้อยก็คือสมมติน้อยๆแวบไปแวบมานี่ยเป็นพันวันหนึ่งทีนี้ถ้าพอมันมาแล้วมันจะเอาเครื่องมาอากุศลมูลสามอย่างราคะโทสะโมหะมีแล้วในใจเรากูจะทําให้กุศลอกุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นท่านอารมณ์อะไรถ้าสมมุติว่าเรามีโทสะเนี่ยอกุศลทางกายเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นหอก ควมไม่พอใจความโมนิติดลามมันจะมาทด้ดีอเพราะเรายังไม่ได้สลายอันนี้ท่านก็บอกว่าให้มาเฝ้าดูเฝ้าดูมันทางที่มันขึ้นเนี่ยก็มาดูใช้วิทาชามังกายมังกายก็คืออย่าให้มีความสําคัญมั่นหมายไอ้กายนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเข้าน้ําโภชนาหาร อุปทานที่ยังกายนี่มันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะความยึดติดเรามาสลายความยึดติดซะพะไม่มีความยึดติดมันมันไม่มีความพอใจพอใจเนี่ยไอ้ตัวอนุใสมันก็ไม่เกิดมันก็เป็นว่าธรรมดาเห็นธรรมดาได้ยินธรมรมดาพัสสะธรรมดารูปรสกลิ่นเสียงเป็นธรรมดาคืออยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยแบบธรรมดาไม่ต้องมีความยึด แม้แต่จิตที่มันอาศัยกายนี่อยู่ก็อยู่แบบธรรมดาแต่วันวันหนึ่งสังเกตดูเมื่อทีเราเป็นความยึดติดขึ้นมามีเสื้อผ้าก็ยึดเสื้อผ้ามีวัดวาอาวาสแล้วก็ยึดยึดว่ดวาอาวาสมีเพื่อนแล้วก็ยึดเพื่อนมีลูกมีหลานแล้วก็ยึดมีทุกหน้าที่มันเอาจริงเอาจังพอเอาจริงเอาจังถ้าการจัดการธรรมดาแบบหนึ่งนะกับการที่มีความรู้สึกมีความผูกพันมีความยึดติดเนี่ยคือมันเป็นราคะโทสะโมหะก็อย่างหนึ่ง เราสังเกต ด, ดูดีมันเป็นความโลภความโกรธความหลงไหมเวลามันไม่ได้เป็นตามตามนึกตามคิดเนี่ยอาการที่ความโลภโกรธหลงนี่ยจะเป็นเชื้อเป็นราคานุใสความกำหนักเนี่ยจะทําให้เอดอนุใสนะราคานุใสทิฏฐินุใสทิฏฐินุใสคือเมื่อเรามีทิฏฐิมานะ์เนี่ยมันจะเป็นตัวอนุใสเป็นก้อนเล็กๆแมบลงไปในใจเราเป็นความรู้สึกที่ฝังใน ใ, นใจ ปฏิขะนุใสปฏิฆะก็ ค, คือความหุนหิดปฏิฆะคือความโกรธคือมันปฏิขะหุนหิด น, น้อยๆนั่นแหละมันจะสะสมตัวปฏิขะนี้จะกลายเป็นตัวโทสะที่หลังคนไหนที่เป็นปฏิฆะอยู่บ่อยๆก็คือเก็บไว้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่น่าสะสมเรากาลังสะสมความร่ำรวยรวยปฏิคะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นเศรษฐีโทสะ เรามีความพอใจบ่อยๆ ย, ย, ย็นๆพอใจบ่อยเดี๋ยวเรากำลังสะสมตัวราคาโนใสัยใส่ใจเรื่อยๆใส่ใจเรื่อยๆเย็นเรื่อยๆพูดเรื่อยๆสัมผัสเรื่อยๆเย็นเรื่อยๆชอบพอเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเป็นราชาการมราคะมันเป็นธรรมชาติคือหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเย็นนั้นหนึ่ง หวานพืชเช่นไหนก็ได้ผลในนั้นคือเราวางจิตแบบไหนผลมามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละชีวิตเนี่ยคือทำอะไรก็ได้อันนั้นกรรมมุนาวัตติโล ก, โกสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมแบบไหนมันก็ได้อันนั้นเน่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้ละนั้นเราก็สังเกตศึกษาดูว่าเออมันมาไหม ยังมีด้วยซ้ำไปนะที่ท่านพูดกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดดูดิกิเลสพันหา้าชีวิตโทษหนอ ช, ชีวิตเอ๋ยมีแค่นี้แต่คนโง่ก็จะสนุกสนานสนุกสนานเพลิดเพลินกับความไม่มีอะไร เราคิดว่าเรามีเราก็วิ่งหาความมีสุดท้ายก็เข้าไปตรงนั้นก็ไม่ใช่ก็วิ่งหาอีกตำแหน่งอีกหน้าที่การงานอีกลุกเข้าไปเรื่อยๆลุกไปสู่ความพอใจไม่พอใจหนักเข้าหนักเข้าไปเรื่อยๆผลสุดท้ายได้อะไรได้ความว่างเปล่าไม่มีอะไรมามือเปล่าตายก็มือเปล่าแบมือไม่มีอะไรแต่ความผูกพันเนี่ยอย่างที่ว่านี่ยช่วงกลางของชีวิตสะสมมาก โจทั้งกายเป็นความหลงเราหลงหลงจนออกไม่ได้เลยคิดว่าจะปล่อยวางวนะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็ปล่อยไม่ได้มันยึดติดเนะนี่ยพวกเราทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยล่วงการผ่านวัยมาใคราว่าเห็นฤทธิด์เดชของกิเลสมาพรุ่งควรแล้วแะแต่ละคนเนี่ย ม, มันทุกข์เพราะกิเลส อำนาจของความยึดมั่นมันแสดงพบภุมแสดงศักยภาพให้เราน้ำตาเล็ดน้ำตารอดงวดหิบแข้งขาหักตีนมือเป็นขี้หีที่กากมันใช้เราล่ะจนเราเป็นเอาตายผมหลุกผมร่อนไปหมดเนี่ยต้องซื้อเสื้อผ้าไปนั้นน่ะตาไปนี้ยี่ห้อไปนั้นต้องเอานู้นเอานี่เข้ามาเห็นไหมมันใช้เราเทียบตายแค่ความพอใจความพอใจเฉยเฉยนะ ไม่มีอะไร เ, เสื้อผ้าเนี่ยที่มาใส่ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็พออยู่ได้แต่เราต้องแสวงหาเอาจริงเอาจังมากชีวิตเนี่ยนะเงินเทียบตายเพื่อมาดื่มเหล้าหาแทบเป็นแทบตายนะทั้งเช้าทั้งเย็นเขาว่างโง่กว่าหมาหมาตัวหนึ่งลงอตาเปิดไฟให้มันนอนเมื่อคืน มันนอนในนีน่กูขอมีแค่ผ้าเช็ดเท้าแต่ก่อนก็นอนพื้นธรรมดาก็ค่อยยังจุนะ่นนั่นเด่มันรินอนพรมยังกับมนุษย์แต่มันก็กันหนาวเท่านั้นเองนะเวลากันหนาวเพราะว่าลงตาเราเมาผ้าพรม ม, นหนม า, นะาหนึ่งพรมเช็ดเท้าหนึ่งอหให้มันก็ไม่เอาเอาเฉพาะขนมันก็พอมันก็สมควรนะ ขนาดขนมันเนี่ยมันยังเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นแทนผ้าผมได้มันก็ไม่ประดับตกแต่งไม่ได้เสริมสวยขนไม่ได้พัฒนาขนขึ้นมาไว้ห่มนะของมนุษย์เนี่ยขนเนี่ยไม่ได้เอามาไว้ผมเลยเสริมสวยจังน่ะเดี๋ยวขนแดงเดี๋ยวขนดําเดี๋ยวขนหงอกขนสีทองมันไม่มีขนก็เขียนรูปเป็นขนมันเข้าใจผิดมากกว่าหมานะบางทีไม่รู้จะว่ายังไง เล็บก็เหมือนกันเอาเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวนำเงินมันไม่พอต่อยาวออกไปอีกอทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคืออุปทานมันไม่ใช้ในสิ่งที่มันเป็นตาความเป็นจริงอฟันก็เหมือนกันมันอยู่ดีๆหาเข็มขัดมาใส่ใส่แหว น, นใส่แหวนฟันลงุงตาเห็นพวกกรุงเทพพูดไม่ได้เนาะเอาพวกนอกโลกซะนี่เขาจงว่า ใส่แหวนนิ้วโป้ก็มีเดียวเนี้ยนิ้วโป้เอาไว้ทํางานเขาต้องให้นิ้วที่มันขี้เกียจที่สุดใส่แหวนเนี่ยมันเคยทํางานกับเขาไหมไอ้เนี่ยไม่มีทํางานมีแต่อัเนี่ยแต่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยเนี่ยไม่ใส่ดวงตามองในแงน่ดีนะเฮ้ยทำํำไมเขาใส่แหวนนิ้วโป้งนิ้วชี้วะทุกวันเนี่ยมองลงโอ้มันคงเห็นความจริงว่ามันทํางานมากละมั้ง นิ้วก้อยกับนิ้วนี้มันไม่ทํางานก็เลยไม่ให้มันเฮ้ยถ้ากูไปอยู่ทางโลกกูจะใส่มันเลยเนี่ยมองอีในแง่หนึ่งนะลงตาข ย, ยามมองให้มัละเอีเยดแล้วว่ามันใช้นิ้วก้อยทํางานกันแล้วเดี๋ยวนี้นิ้วโป้นิ้วชี้มันไม่ค่อยได้ทํางานหรือเปล่ามันไม่ไทำขี้เกียจดย้วทั้งไม่ใช้ทํางานแล้วเอาแหวนมาสวมทางนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะคอมพิวเตอร์ก็ในเงี้ยมันไม่มีนิ้วโป้ชุกชุเนี่ยมันไม่ทํามันมีแต่นิ้วนี้ หรืออย่างนั้นไมน่นออะไรประมาณันหรือเพราะมันบ้าของมันเองเป็นไปได้ทั้งนั้นโรคมันวิปลิตไปเราไม่เข้าใจเราไม่ได้ใช้อะไรตามความเป็นจริงที่มันเป็นเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะจิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งเยู่ทั้งว่ามันปิดตาปิดตา2ชั้นสาชั้นสามี่ชั้นห้ชั้นทุกอุปทานมันปิดจิตเรามาขึ้นมาขึ้น จนกรทั้งว่าอะไรที่เป็นความจริงไม่เห็นไปเห็นในสิ่งที่มันไม่จริงเดี๋ยวนี้เราคนเลยทำผิดทำถูกกับชีวิตเราเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่จริงหว่าจริงอย่างที่ท่านบอกนะเห็นอนัตตาเป็นอัตตาเห็นทุกขงังว่าเป็นสุขขงังเห็นความสุขเป็นความทุกข์อย่างปฏิบัติทําเพื่อการปล่อยวางเทติ ความสันโดษเนี่ยสันตุถีปรมังธนังมันไม่รู้สึกว่ามันสันโดษมันเป็นสุขนะวายตายถ้ากูสันโดษกูจะมีมีอยู่มีกินไม่ได้รับการยกย่องนับถือจากคนนั้นคนนี้มันก็ไม่รู้จะเกิดมาทำไมชีวิตเนี่ยนะมันคิดไปอย่างโนนสามันไม่ได้เห็นทรัพย์สินจากความสันโดษเนี่ยความสงบ นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบเนี่ยมันไม่มีสงบก็อีกละสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบเพราะมันไม่มีสิ่งปรุงแต่งอย่างเมื่ออยู่ผู้ไปยอยู่เขาเนี่ยมันเป็นความวิเวกแบบหนึง่งเขาเรียกว่ากายจะวิเวกแะเนี่ยร่างกายวิเวกมันกรู้สึกมีความสุขระดับหนึ่งนะ ได้รับผลอ น, นิสงกาย่อเวกแต่ว่าจิตเนี่ยมันไม่มีเวกนะ่ะจิตมันยังโดดข้ามกำแพงไปอยู่แม้เราอยู่ในห้อง น, น้อยๆขังตัวเองไว้ลรากดไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตมันมันออกไปข้างนอกมันออกไปข้างนอกหมดเน่ะมันข้ามไปเดี๋ยวนี้ลงตาเห็นจีพีเอนะเราขี่รถกับเขาเนี่ยอีกห้าร้อยเมตรแยกขวา โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยโน้สมองนี่วะอีกสามรอยเมตรจะเลี้ยวซ้ายอีกสองรอยเมตรขึ้นอากาศโอ้มันบอกมดเลยแล้วมันก็มีแผนอยู่นั่นขอจะใส่ข้อมูลเข้าไปกูจะไปนั่นเดอ้อสบายไม่ได้คิดอะไรอขับรถไปอย่างเดียวต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรนะเงานอนไปด้วยก็ได้มันจะไปของมันเอง GPS มีย้อมคนอย่างมาถวายที่ดินลงตาลงตาครับผมอยากให้ดูที่ดินที่ผมถวายลงตาก็เลยวย่ายมไทยเอกสารมาเลยไม่ใช่ไม่มีมีหลงตาดูนี่เอาจอนำขึ้นมาเขากดดึงมาดึงมาซูมเข้ามาโอ้เป็นภูเขาเป็นดูนี่ในบ้านผมหลังนี้โอ้โหมึงมีตาทิพมากกว่ากูเ น, นี่ยวาเขามีตาทิพแล้วเขาไม่ได้ฝึกอะไรมากมายเดี๋ยวนี่ย เขาเนื่องนั่งอยู่นี่หลับตาไปเห็นหมดโลกนี่อยู่มุมไหนไมีหน้านะเราสร้างวัดเถื่อนเอารถไถมาไถนี่ตำรวจเขาถึงมาเร็วมันมี GPS ดูเราเเราก็มีไหมแบบนั้นมี GPS ดูไหมอย่างดูกิเดสเราอะไรประมาณเนี้ยเขาก้าวหน้าโลกที่เขาก้าว ห, หน้ามากไวมากคือสามารถ คี่ดูได้เลยว่าเรากําลังทําอะไรเดี๋ยวเนี้ยนจุดนี้เนี่ยอะไรขึ้นกี่หลังไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาถ่ายมาอะไรเลยนะกดเข้าไปแล้วซูมเข้าไปแล้วดูดูดูดูดูดู ด, ดูอ้าวเห็นแล้วเนี่ยพี่กัดตรงนั้นตัวนี้ดูมันดูออกเลยว่าเรากําลังทําอะไรขยับอะไรเนี่ยมุมไหนเนี่ยมีรถสี่แปดร้อยขนยูเรเนียมออกจากฐานห้องใต้ดินมันก็ดูออกนะเพราะมันซูมดูตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เทคโนโลยีทั้งโลกมันจะริ่นรุ่งเรืองมากขึ้นมา ก, ข, มากขึ้นเมื่อไหร่ไอ้โทรสะมันมีไม่มีโลภะมีไม่มีโมหะ ม, มีมีตลอดไอ้นี่มันมีตลอดนะมันก็จะใช้อันนั้นแหละเป็นเครื่องมือของโลภะโทสะโมหะอันนี้เหมือนเดิมนั้นเราปฏิบัติทำนี่เพื่ออะไรเพื่อเอาสติมาเอ็กสเสลดูใจตัวเอง ดูให้มันเป็น GPS เฝ้าดูมันทุกวันทุกวันจิตมีแล้วก็ก็รู้มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้จิตปรุงแต่งก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รูอะไรเนี่ยดูบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นเห็นแล้วแคจัดการตัวนี้มาแล้วนะตอนนั้นมาแล้วนะตัวนี้เกิดนะจิตหลุดพน้นก็รู้ว่าวิมุ ต, ตต์ตังจิตตังจิ ต, ตทันติปัจจานติจิตหลุดพน้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น จิตหลุดพ้นก็รู้ว่ามันหลุดพ้นนะมันไม่หลุดพ้นก็รู้ว่ายังไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นก็ฝึกไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆพอนั้นเข้านั้นเขาก็จิตมันก็จะเบาบางลงอัตตาตัวตนมันก็จะน้อยบางคนก็ถามหลวงตาปฏิบัติ ท, ทําแล้วกลับไปเนี่ยไปทําต่อไหมไม่ต้องทําต่อหรอกว่าจะไปทําต่อทําไมนันจะได้ประโยชน์เลย แล้วทำไงผูกคอตายครับไปแล้วผูกคอตายสร้างทีบางคนชอบมาปรึกษาลุงตาผัวหนูอยู่ในร่องในหลอดหนูทำยังไงจะแก้กยังไงลงตาช่วยหาอุบายให้หน่อยเอายาเบื่อหนูใส่ข้าวให้มันลุงตาให้คำปรึกษาตลอดเวลานคนมาเนี่ย แต่มันไม่เอาไปใช้คนมันก็รักของมันไม่ใช่มันโกรธมันเกลียดจริงๆมันรักหน่อแหละเพราะเราบอว่าแต่มันไม่ดีจัดการซะมันก็ไม่จัดการหลูกลวงอะไกระจองไงียมันไม่ปกติมัยเกิดมาผลานทรัพย์สมบัตินะไม่พอใจนะทําไงมันนอนเอาหมอนทับจมูกมันไว้ก่อนเสียเงินค่าศพมันไม่เท่าไหร่หรอกหมื่นเดียวเท่านั้นแหละพระไม่เอาเยอะหรอก แต่ถ้ามันอยู่กับเรา น, น, น, นานๆผลาญอยู่เนี่ยเป็นล้านกว่ามันจะตายเนี่ยโยมเอาอยัางไงเน่ะกลัวเป็นบาปเนี่ยกิเลสมันก็อ้างว่ากลัวเป็นบาปนะพูดเหมือนธรรมะธรา ม, มนะูนะมันคนมาขอเลขกับพระแหละขอหวยสักตัวน้อยโปรดเมตตาหน่อยโยมเจ้าไปละเอามาทานเนี่ย จเจ้ามาทานมาทําบุญทาทานเหมือนเดิมอะเลยจิตมันจะอ้างไปอ้างมาไปเ น, นี้งนั้นอาศัยความแยกคายในการสังเกตอย่าเข้าข้างตัวเองพยายามพินี้ปีเคราะห์ใช้สติปัญญาที่ฝึกเนี้ยแล้วกลับไปบ้านพูดกันมาเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นทุกวันเนี้ยตอนเที่ยงก็พูดอะไรก็ให้ข้อมูลฝึกก็ฝึกปุ๊บแล้วยังเนื่องที่ออกไว้เราจะเอาไปใช้อย่างไงกับชีวิตเนี้ยจบ มันหนามันไม่เข้าใจคือจิตนี่มันเจาะเข้าไปไม่ถึงเน่เอาใหม่ถ้าอยากรู้อีกไปฝึกใหม่เข้าคอร์ดฝึกอีกฝึกสองครัง้งสามครัง้งต้องรักษาใจตัวเองนะไม่ให้ทุกข์นะยิ่งใจคล้ายว่า เราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นอายุสังขารเรามากขึ้นเนี่ยเรายิ่งเดินเข้าไปใกล้สู่ความตายมากขึ้นนั้นเราต้องมีพลังรู้สึกว่าเราปล่อยได้หลายอันละนะเตรียมตัวแล้วนะจะไปแบบสบายนะไม่แบบมพลุงพลังนะไม่ไปแบบพลุงพลังคล้ายๆว่าวางได้แล้วเรื่องนี้ก็กวางได้แล้วเรื่องนั้นก็วางได้รู้สึกมันวางได้มันจะวางได้คือมันเวลามันจะตายหรือมันจะหลุดเนี่ยมันหลุดพราวออกไปเลยแต่นี่ ยิ่งติดอันนั้นก็นติดอันนี้เก็ติดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างหลวงตาว่าเ น, นหละโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่จำหมาตัวหนึ่งก็ถือมานะมีเสื้อเน้น้อยอะไรประมาณนั้นอยู่สกลนครนะเนี่ยไม่อยู่แถวเราหรอกแต่หลวงตาไม่ได้อยู่ไม่จีเขาว่าฟังหลวงตาจะด่านะ มืนบอกว่าท่าจะาจงได้จงท่านมีเมตตาถึง่นะเศษกับข้าวก็เยอะนี่ในวัดเนี่ยก็ให้มันกินบ้างะถ้าหลวงตาอยู่นะเอาไปฝากบ้รรดาเล่ไว้ไ ป, ไปบอกเอไปฝากเขาไว้นู่นนะให้เขาออมมาใส่จังหันซะแต่มันไม่เป็นตะกินนะอย่าโยมนะหมาเลี้ยงก็ไม่เป็นตะกินเหมือนไก่เลี้ยงนั่นแหละมันไม่เป็นตะกิ น, นถ้าเล่เขาก็จะเอาอเฉพาะไอ้ที่มัน มาบ้านเหมือนไก่บ้านประมานั้นเธอจะคิดว่าเขาจะซื้อในะหมาพันุมาโบโลเนี่ยเขาไม่ซื้อนะเขาไม่ซื้อเขาจะเอาเฉพาะไอ้ที่มันมันธรรมชาตินะ่ะนะพวกหัวอาหารเนี่ยพวกกินเพชรกินพลอยเนี่ยเขาไม่เลี้ยงนะขนะองเราใช้เพชร ด, ดีกรีเลี้ยง <c oughs> ไม่เอา ต้องเป็นธรรมชาติที่มันตัวคุบหนูตัุ้แมวเองโดยธรรมชาติคืออะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนั่นแหละของจริงชีวิตเหมือนกันนะทำงานใเราจะวางจิตวางใจให้เป็นธรม ร, บบธรมชาติรูปแบบธรรมชาติเข้าใจชีวิตธรรมชาติชีวิตนะก็อยู่ประมาณนั้นแหละเราอยู่กับกีเลตกิเลสก็มาอยู่กับความคิดความคิดก็เกิดน มันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆจิตเนี่ยงั้นเราต้องเห็นอย่างที่บอกมาแหลอ้าวทาไงน่ะเริ่มต้นที่ลมหายใจเราเริ่มต้นที่การเคลื่อนไหวอันนี้ของกายพยายามเลยลึรยกรู้ให้มากขึ้นแล้วมันเป็นไปเองหรอกธรรมะมันจะเป็นไปเองคือสติมันจะทําหน้าที่ในการสลายทุกสลายโทษเองธรรมะทั้งหลายอยู่ที่สติสติเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติเหมือนเมล็ดพืช ที่วางลงดินลดน้ําพัว ด, ดินมันงอกขึ้นมาเอา้าเมล็ดพืชนี่ทําไมมันมีต้นมีกิ่งมีกา้านมีใบมีดอกมีหมามีผลลนปุ๊กลงมาเรากินได้เอา้าทําไมวิวนั้นใช่มันอยู่ที่มเมล็ดมันเนี่ยนั้นธรรมะทั้งหลายความลับทั้งหลายอยู่ที่สติเรามาปลูกฝังตัวสติมันจะเป็นทั้งหมดของธรรมะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมัรผลนิพพานอยู่ในนี้จิตเดชฐานอยู่ในนี้ความสุขความทุกข์อยู่ในนี้ ถ้าหาค้นพบว่าจะหาเห็นเรามาเป็นคนคนดูดิคนคนค น, คนดูดิเอา้าคนคนคนคนนคนค น, ค น, ค น, คนขึ้นมาเนี่ยโอ้ตัวนี้มันไม่ดีเราเอาออกทิ้งพอค้นมันขึ้นมาเอาออกทิ้งอันนี้ไม่ดีเอาออกทิ้งอันนี้เก็บไว้กูสนแล้วทำเก็บไว้ในใจแล้วอากุศลเก็บบ อ, อกอเก็บบอกเก็บบอกพอค้นเจอนี่ย อ, ออกไปท้าที่สุดก็หยุดคนมันสะอาดแล้วไม่มีอะไรแล้วทุกเนี่ยก็สบายนั่นแหละตือเขาเป้าหมายของชีวิตละ ก็อนุโมทนานะตอนเช้านี้ก็คงยุติท่างนี้นะถวายทานเธอฟังดีๆนะคำแปลนเนี่ยเวลาให้พรเนะี่ยสภิโยวีวัชชนดุความชันรายทั้งพวงชงบำราดายสัพรโรโกวินัสสตุ โรทังพวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีที่กายพาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาตนสีลิตสนิจังวุทาปจายิน ธรร ม, มวัทันดีอายุวันโนสุขังพาลังผ่อนสีประการคือายุวันนาะยอมเจริญแกบุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิง้งมันจะต่างกันนะกับภาษสบาลีนะ สปีดีโยวิวาจันตุสาพโลวิวาทนะสิลิสุนิจุถ้าปัจจายโนจัตตารูธัมมาวัตถันติอายุวันโนสุขังหาลางเหมือนได้บุญตัวนี้นะเนาะแต่เหมือนตัวแปรนั้นไม่ค่อยได้บุญตัวนั้นเวลามันเข้าใจมันจะไม่ได้บุญ เหมือนกับคนที่ไปเจิมรถในวัดนั่นแหละถ้าหลวงตาเขียนภาษาไทย้ยหลวงตาเอาแบบงงๆนะหนะ่าถ้าตัวงงๆงอกๆเนี่ยมันชอบเอาเดี๋ยวให้โยมผู้หญิงมาถวายสักคนหน่อยอเป็นตัวอย่างปฏิบัติทำไม่ได้เกิดถวายทานวันนี้เลยปิ๊งขึ้นมาเนี่ยไ้การเลยนะเม่ชีเขารู้นะมีโยมคนหนึ่งเพิ่งไปถวายทานที่วัดเป็น มีสบกรก่อสร้างนี่แหละจะหาเลิกแต่งงานวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันวันที่8เนี่ยแต่งงานอันนี้วันที่7็ปฏิบัติถึงวันที่7ก็หยุดพรุ่งนี้เนี่ยภรรยาว่าที่ภรรยาเคย อ, อยู่ด้วยกันมาชอบพอกันมานะ่ยพรุ่งนี้จะไปหาเลิกแต่งงานผู้หญิงบอกว่าถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันเธอต้องไปอยู่กับลวงตาคนนี้เขาอยากแต่งมากก็มาปฏิบัติ ตอนสุดท้ายก็มีโอกาสได้มาถวายทานหลวงตาเขาบอกว่าแต่ก่อนหลวงตาเขามาถวายทานหลวงตาหลวงตาไม่เอาสักทีวันนั้นดูเขาก็เหมือนน่าจะดีเขามาถวายทานพอถวายทานเนี่ยเขาว่าน้ําตามันจะหยดตั้งแต่ออกไปเนี่ยเกิดปลื้มพิติขึ้นอย่างไงก็งไม่รู้นะได้ถวายทานมันปลื้มจิตสว่างสวออกไปแล้วไปเดินจกกุกล้วเข้าใจธรรมะขึ้นมาได้ดีเลย เข้าใจวันน่ะพระม์วันนั้นก็เข้าใจวันต่อมาก็เข้าใจมันแจ่มแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่ากลับไปนี้จะเลือกไม่เอาแล้วเมียนี่กูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นทุกข์แม่ชีนโมว่า้ยน่าสงสารคนนั้นเนาะแม่ชีนโมงสงสารภรรยาเขานะที่มารับเนี่ยมันไม่รู้นะเพราะเขาเออกมาพูดเขาบอกว่ากลับไปนี้ผมจะเฉยเลยนะ แต่ผมจะไปเปลี่ยนรถยนต์ให้เขาพอพบกันมาเขาดีมากมันก็ดีจริงๆนะมันมาวัดอยู่เรื่อยๆมันดีมากอีนะ้าเอาไปมาก็กลับไปคือไปเปลี่ยนรถยนต์ให้เขาแล้วเขาจะขายนาแล้วก็ปลูกบ้านให้แม่แล้วเขาไปทิศทางตัวเองที่ควรจะไปเพิ่งเห็นคือพอมันมีสมาธิมันจะเข้าใจแบบนั้นแหละแล้วไม่ใช่ธรรมดาเนะีอานิสงส์มันนะ่ะ ้องใครที่กําลังจะแต่งงานมาถวายทานดิไม่ได้กินละกูวันนี้มันมันกลัวแต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรหรอกชีวิตเนี่ยอยู่ไปเถอท่านทั้งหลายอยู่กับครอบครัว ก, วก็อยู่ไปเถออเงี้ยเพียงแต่ว่าเออขอให้มีเมียน้อยบ้างเอาสติมาใส่บ้างมีผัวน้อยบ้างเอาสติมาใส่ ให้พัฒนากันะให้มันมีธรรมะขึ้นมาในใจเธอไม่ได้ยินแล้วสามีจิตปฏิปันโนบอกวว่าโตเห็นไหมมันมีอย่างไรในบทสวดก็มีทําไมไม่เอามาเป็นสามนะีมันไปหาใครก็ไม่รู้มาเป็นนะมันก็เลยเป็นทุกข์ไงมันก็ไม่ปล่อยวางนั้นมีแบบปล่อยวางก็ได้นะนะ พระโสดันพระ ส, ะสะักกีธาคามีอนาคามีแรงต่างคือใจมันดีอยู่ด้วยกันแบบสบายสบายนะมันไม่ทุกนะต่างคนต่างมีสติเข้าใจอยู่ด้วยกันสบายคนนี้กับมีสติเราก็มีสติคนถวายอาหารนี่แต่ก่อนท่านเป็นทำงานอยู่ที่แบบอะไรอะ เป็นหมอเชี่ยวชาญความงามนะเนี่ยอใครที่ยังไม่งามก็ไปแต่ก่อนทํางานอยู่ ก, กรุงเทพแต่กรุงเทพก็เงื่อนไขยเยอะต้องบริหารต้องจัดการเป็น น, ปนู่นเป็นนี่รุ่นไว ย, ยิ่งเป็นผู้บริหารก็ยิ่งเงื่อนไขมันเยอะกรุงเทพท่านเอาไปมาท่านกลาออกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตมันก็แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรหรอก นะก็คือทำอะไรก็ได้พอเป็นอาชีพเลี้ยงตัวหน่อยๆนะไม่ต้องมียศธาบรรดาศักด์ตำแหน่งยิ่งขึ้นไปสูงในลมพัดยิ่งยากลำบากมันจะตกเพราะนั้นก็เอาสะละละภาวะแบบนั้นก็อยู่แบบเอาพอมีอยู่มีกินนิดๆหน่อยๆไปเวลาที่เหลือก็อไปปฏิบัติธรรมละทีนี้แต่คนเนี่ยมันยิ่งอยากพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆื ๆ, ๆ, ๆพุ่งก็้ปไว่าต๊กอีกนะ ปัญหามันก็เกิดเพราะอันนั้นแหละเพราะอุปท า, านงั้นอะไรเราเริ่มวางละเพราะว่าอายุเราใกล้ละสังขารเราใกล้ตายละเราจะต้องวางให้ได้ละวางตัวนั้นวางตัวนี้เอาแต่พอประคองกายสังขารนี่ในน้อ ย, อยเราจะคิดว่าเราไม่ได้อะไรเนะี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อ ย, อยคือเราได้มาทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์แล้วมาวัดตัวเองที่บอกว่าไปวัดไปวัดคือไปวัดตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงจิตเนี่ย ยึดขนาดไหนติดขนาดไหนผูกพันขนาดไหนมาวัดวัดจิตวัดใจวัดกายสติโยกายมีกี่เปอร์เซนเวทนาจิตธรรมมันมีกี่เปอร์เซนน่ยเห็นมันไม่เนี่ยนี่เรามาวัดตัวเองใครว่าไปวัดไปวัดไปละมาวัดตัวเองนั่นเองมาวัดศีลวัดสมาธิวัดปัญญานี่วัดภูมิธรรม ยาแปลว่าเหมือนยาเรือยาภายเนี่ยยานี่คือเอามายามาจอดสังขารที่มันไม่ค่อยปกติก็เรียกว่ายาแต่ยาค่ะมันกระมับเหมือนเดิมแหละมันตายเหมือนเดิมเสื่อมสลายเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นอนิจจ์มันเป็นธรรมชาติที่เฉยเราถามว่าพอใจกับธรรมชาติที่เกิดนี่มันพอใจไมท่านพ่อเป็นธรรมชาติพอใจมันก็ตายเหมือนเดิมเสื่อมสลายเหมือนเดิมไม่พอใจมันก็เป็นธรรมชาติมัน ก็มีจริยธรรมมาช่วยงานช่วยงานจริงก็ช่วยเขาช่วยเขาจริงก็คือช่วยสังคมช่วยสังคมคือช่วยเพราะพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นก็ธรรมดาเนี่ก็คือแค่ว่าเห็นนันนี้มันดีก็ช่วยกันช่วยกันสร้างสรรงานทำให้เกิดกับคนในนี้ก็มีคนช่วยกันพิมพ์หนังสือนะเนี่ยหนังสือหนังสือธรรมวัดจําำนกแจกใจ ราคาเล่มหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทแต่ก็พิมพ์เล่มละแปดสิบาทไว้กับคนไปอ่านไปท่องรู้สึกว่ามีหลักฐานอะไรดีหน่อยเนนี้เหมือนกับลายแทงเ้วไปเปิดอ่านก็จะเกิดมีความเข้าใจทีละน้อยยกมือนี่มาจากไหนน้อยยกมือนี่อ๋อซั ม, มินจิเตปาสาดิเตการคูการเหยียดการคูเข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะ โอ้เป็นอี่นี่เองเนาะลมหายใจแหละทำยังไงมาถึงตอนนี้แล้วต่อไปจะทําอะไรมันก็มีในนี่นั้นเราเอาไปประกอบเป็นแผนที่ในการปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่คาถานะไม่ใช่คาถาปลุกเสกหนังสือนี่จะเอาหลักปฏิบัติมารวมไว้ไว้สว่วนซึ่งมันไม่มีหลายๆเหงมีแต่คาถา คาถามหาละรวยคาถานั่นคาถานี่แล้วก็มีแต่บท ร, รมวัดโยโซปควาอะไรประมาณนั้นนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นไปซะแต่นี้เราเน้นแต่เรื่องปฏิบัติธรรมัม้นการปฏิบัติธรรมที่มันได้ผลเนี่ยมันจต้องประกอบด้วยหลายอย่างหนึ่งคนที่รู้จริงสอนสองมีตำหรับตำลายมีคู่มือดีดสามมีสถานที่ให้สี่ผู้ปฏิบัติต้องมีใจศรัทธา เนื้อหาสาระที่เราพูดเราคุยก็ไม่ออกนอกตัวก็จะประมาณเนี้งั้นจะทำให้มันก้าวหน้าสิ่งที่เราพูดคุยก็มีวิปัสสนุวิปัสนาประมาณพวกนิวรณ์แล้วก็วิปัสสนุวิปัสสนุคืออารมณ์แล้วก็มีวิปัสนานี่เป็นเส้นทางของจิตแล้วก็ดูแลกันรอเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกันไปตามเรื่อง เขคอยพัฒนาไปพัฒนาไปแต่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้อครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆครูครบาอาจารย์ที่อยู่ภายในคือตัวสตินะอยู่ใกล้ๆอะไรก็ตามอย่าหนีตัวสติตัวสติและลึกรู้อยู่กับสติตลอดเวลาเลยยังไงก็กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัว